พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10ตุลาคม2556ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครมีชื่อเรื่องว่าผู้อ่อนน้อมย่อมมีอายุยืน วันนี้พวกเราก็ได้สวดพระปริตตะมงคลสวดมนเพื่อเป็นช ล, นะลิเพื่อเป็นมงคลในครั้งพุทธกาลมีไหมมีนะในการสวดพระปริตตะมงคลเพื่อเป็นมงคลเพื่อกำจัดภัยวิบัติอันตรายอย่างนี้ก็มีนะเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราท่านไปอยู่ในป่าดงพงไพยท่านจะให้พระสงฆ์สวด พระปริตะมงคลและก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลด้วยอย่างพระพุทธเจ้าท่านก่อให้สวดกรณียเมตตาสูตรถ้าไปอยู่ในป่าดงพงไพที่เป็นอมนุษย์คือพวกภู ม, มิลุขะเทวดาที่ไม่ยินดีในการเป็นอยู่ทำให้เขาลำบากพระพุทองค์ก็ให้สวดพระสวดกรณียเมตตาสูตรเพื่อให้เขาอนโมทนา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 อย่าง阿拉หัง เ, เราก็ส น, นะเสริญพระพุทธเจา้าสวาก้าโตเราส น, นะเสริญพระธรรมคําสอนของพระพุทธจเจ้าสุปฏิปโ น, โนเราส น, นะเสิร์นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจา้าจากนั้นก็ น, นะโมะะะโตัสสะปะคาวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้น เอออันนี้ก็คือเราย้อนประวัติศาสตร์ลำลึกถึงพระพุทธเจา้าเป็นผู้มีพระคุณที่ประกาศพระธรรมคําสอนให้พวกเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระสงฆ์ก็เป็นผู้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้ามาให้พวกเราได้รู้ได้ปฏิบัติอันนี้ว่าสังโคจากนั้นพอเราก็กล่าวทุบปฏิปโนจะนีฉันรเซิร์นพระพุทธเจ้า จากนากาเยยวจายวเจสเซวาข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพรั้งพระพุทธเจ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจขอพระองค์จงอโหสิให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยนะกาเยนะความแปลและความหมายจากนั้นค่กาเยยวจาย่าทำเมกุกรรมมังข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพรั้งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกขอพระธรรมคําสอนของพระเจ้าโปทโหสิให้กับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะได้สํารวมระวังต่อไปและกกาเยยะวะจาสังเคกุกมังข้าพเจ้าได้ประมาทผาดพังพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยกายยกรรมวจีกรรมโนกรรมขอพระสงฆ์เจ้าโปทโหสิให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะได้สํารวมระวังต่อไป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 จากนั้นกับนัตทิเมสรณังอัญญงที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชรณะเป็นที่พึ่งของอันประเสริฐของข้าพเจ้าในนัตทิเมจากนั้นกับพระหุงเวสรณังยันติที่พวกเราสวดเมื่อกี้นี่นะพระหงเวสรณังจันติพระปะตาเนวนานจะอารามะโรเกเจตยานิข้าพเจ้าจะไม่ถือต้อนไม้ภูเขาเจดี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 ปนไม้ภูเขาเป็นที่พึ่งอันนี้คื อ, คอพระองค์เวสรนังยันติจากนั้นกระสวดอเสวนาจะบาลานังบันฑิตานจะเซวานานคำว่าอาเสวานาจบาลานังคำนี้บวชฉดมนี้ที่เริ่มต้นอย่างนี้ในครั้งพระพุทธจเจ้าทพองปารบเทวดานะเทวดาคือสมัยหนึ่งมีบุุษคนหนึ่ง เข้ามามาพูดกล่าวกล่าวในสาธารณชนเพราะว่าอขอมงคลจงเกิดแก่ข้าพเจ้าอขอความเฉลิมงคลเกิดแก่ข้าพเจ้าด้วยเทิญ เ, เพราะว่าเท่านั้นเกิดไหายเงียบไปข้าพนั้ก็เลยบอกว่าคาว่าเฉลิ่ยมงคลเนี่ยมันคืออะไรใครเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นมงคลเป็นเฉลีเป็นมงคลนะัคืออะไร คนหนึ่งบอกว่าได้เห็นรูปสวยๆอันนั้นแหะคือเป็นิริเป็นมงคลคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ถ้าเห็นรูปไม่สวยละ่ะเอ่เอเขาทําตาขึงใส่เราอย่างเออเราจะเป็นมงคลไหมตาของเราได้เห็นไม่ใช่แปลว่าไม่เออไม่เป็นมงคลทีเดียวเพราะว่ามันเป็นสองเออทั้ง ทั้งตาเห็นเนี่ยทั้งดีทั้งทั้งเร็วพวกนร้ว่า อ, อที่ได้ยินเสียงเพราะเพราะสนอโฉดนั่นแหละคือมองคลไม่ใช่บางทีเขาด่าละ่ะอ่าก็เลยเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะที่สุดก็เลยคำเถียงกันในมูมูมวลมนุษยชาติเนะี่ยไม่มีไม่ลงรอยกันเพราะนั้นเทวดาอีกได้ยินอีกเทวดาได้ยินไปถามกันอีกอันไหนคือมองคล พอถามไปถามมาจนขึ้นไปบนสวรรค์ไปถึงพระอินทร์นะพระอินทร์ก็ตอบไม่ได้เองือนเขาถามว่าอันไหนคือมงคลอันสูงสุดพระอินทร์ว่าไม่ได้ต้องมาลงมาถามพระพุทธเจ้าพอดึกดึกชะงัดเข้ามาพระอินทร์ก็ลงมาถามว่าอันไหนหนอที่เป็นสริริที่เป็นมงคลสําหรับมวลมนุษย์โลกที่พร้อมกับเทวโลกพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่า พวกเธอจะไปถามที่อื่นถามเถอะไม่มีใครตอบได้แเราตถาคตขณะที่จะตอบได้คือพระพุทธเจ้าเอ้าฟังมงคลเขาก็เลยตัดเป็นมงคล38ให้ฟังอเชวนาจะบาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาขึ้นต้นนะอเอเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังอเชวนาจะบาลานังอย่ากพบคนผ่าน อย่าไปคบคนชั่วบันดิตานังจจเสวนาให้คบบัณฑิตนักปราชาปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยไล่ไปเรื่อยแล้ววันี้มาตาปิดตุอุปัฏฐานังนให้ปิดปฏิบัติมารดาปีดาเดียว่ามงคล38ให้พวกเราอ่านแปลไปเท่าั้งสนนินี่แหละอันนี้ก็คือสาเหตุคือเทวดาเป็นผู้ เป็นมนุษย์เป็นผูดด้เริ่มจน ถ, ถึงเทวดาเทวดาเจตลงมากราบถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงมงคลและสูตรคือมงคลสามสิดให้พวกเราได้สวดนี่แหละอันนี้คล้ายๆกับว่าเป็นการตักเตือนจึงกันละกัน เ, เป็นมงคลอัน ส, สูงสศ์จากนั้นก็เราก็ได้สวดกรณียเมตตาสูตร เ, เมตต์กรณียเมตตาสูตรคือพระสงฆ์สาสรูปไปบําเพ็ญอยู่ในป่า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 ในที่เดินจะกรมบั้นที่นั่งภาวนาบาังทําให้เป็นผีหัวกุดหัวขาดทําให้มีเสียงอะไรขึ้นมาพระสงฆ์เหล่านั้นก็ไม่สบายเออไม่สบายใจจึงได้ออกจากป่ามามากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าพวกเธอผาสุกอยู่เหรอพระสงฆ์เหล่านั้นตอบว่าไม่แล้วพระเจ้าค่ะเนี่ยพอไปภาวนากลางคืนมาเห็นผีหัวกุดหัวขาดเมื่อน่ากลัวมากพระเจ้าค่ะ พุทธเจ้าเออเดี๋ยวเราจะให้ทำอาวุธให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายเรียนโอ้ยอย่าให้ข้าพระองค์ไปอีกเถอะข้าพองค์กลัวเอ้ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราทําอาวุธเอามาเรียนพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยเรียนเรียนกรณีเมตตสูตรนะพระสงฆ์เหล่านั้นเรียนบอกว่าพอไปถึงใกล้ใกล้ป่านั้นให้ช่วยเธอสวด กรณียเมตธะกุสเลนะยันตังสั้นตังประทางอภิสเมเอจจะโซโกโอุตูจะสซหุสูจะ ส, ส, จสวดไปเลยนะจนเข้าไปอยู่ในป่าแล้วเท ว, วดาภูมิมั่นลูกหาเท ว, วดาจะเป็นมิตรเป็นสหายพวกท่านเพราะพวกท่านมาเด็ดมาเพื่ออย่างอื่นมาเพื่อบำเพ็ญภาวนาทําจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสะวะกักิเลสเท่านั้นจนันนิพระสงก็เลยกลับไปอีกไปสวดสวดกรณียเมตตาสูเท ว, วดาทั้งหลายก็เห็น ภูมะลุคะเทวดากอนุโมธนากับพระสงฆ์เหล่านั้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยอยู่ด้วยความผาสกนะุกนนี้ก็คือความเป็นมาของอกรณียเมตตาสูตรจากนั้นพวกเราก็ได้สูตรได้สวดว่าบิลูปัเขหิเมเมตตังเมตตังเอราประฏิหิเมอันนี้ก็คือพวกเราได้สวดแผ่เมตตาจาหรับพวกคุดพวกนกักพวกอินพวกคมพวก ตกแก่แมลงป่องตักขาบสับรพสัตทางหลายโดยไม่มีประมาณอัปประมาณโอพุทธโธเน่ขอให้สัรพสัตทางหลายทุกวิญญาเหล่านั้นก็ขอให้มีความสุขทุกๆวิญญาณทุกทุกท่านด้วยเถิดนอันนี้ก็คือเราได้สวดวิรุปเกนั้นก็อธิโลเกศิรคุโนอันนี้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกิดเป็นนกนกคุ่ม หาเปนอยู่ในป่าไฟไม่มานกค่มก็เลยแอบแข้งคองข้าไปเจ้าขาคองข้าไปเจ้าก็มีอยู่แต่ข้าไปเจ้าบินไม่ได้นอกจากบุญบารมีสัจจะบารมีของข้าไปเจ้าได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติขอให้มาคุ้มคลองข้าไปเจ้าโดยเธอนอกจากสัจจะด้วยบุญด้วยกุศลของข้าไปเจ้าแล้วจะไม่มีอะไรอันไหนจะคุ้มครองข้าไปเจ้าได้ละครนี้ พ่อพ่อแม่ก็บินหนีไปหมดแล้วข้าพเจ้าขาก็ยังอ่อนปีกก็ยังไม่มีไม่มีขนข้าพเจ้าอยู่ในลวงหลังข อ, อสัจจะบา ร, รมีบุญบา ร, รมีของข้าพเจ้าจงคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทอญข้าวนีนะ่ไฟก็เล็ดดับห่างาไม่เข้ามาใกล้นะอันนี้ก็เราล้ำลึกถึงบุญบา ร, รมีเนื้พญานกคุ้มท่นานได้สวดที่ว่า อธิโลเลกศิรคุณโน อ, อย่างพวกเราได้สวดจากนั้นกันณโมเมสัพพุทธานังอันนี้คือเราเรามืถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์จนถึงมาในพัธกรรนี้ก็มี5พระองค์คือกากุกากทันโธโกนคขมโนกัตถโปและก็โคตมโมนคือพระพุทธเจ้าสีพระองค์ แต่ยังเราจะไม่ได้สวดอริยเมตโยนะเพราะว่าพระสีอานยังไม่ได้มาตรัสยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์โยจากนั้นก็เนีวิปสัสสีจะอนุปโมที่ขี่สัพพาหิโตสัตท่านคือเราลำเลึกถึงพระพุทธเจ้า27พระองค์ที่เราสวดนโมมีสัพพุทธานังลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าของเรา น, นี่คือเราสวดนโมเมจากนั้นเราก็ได้สวดอัชฉรยาอัจฉมยาคือการเป็นอยู่ของเราอาศัยปัจจัยสี่อันดับแรกก็คืออาศัยอาหารต่อมาเราทานอาหารเพื่ออะไรเราทานอาหารเพื่อ ย, ยังชีพให้เป็นไปเพิ่งจะทานอาหารขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี่ก็ยังแก่ยังเก็บยังตายในที่สุด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 เพื่อถึงแดนพระนิพพานเป็นเครื่องอยู่อาศัยเป็นสเสบียงเดินทางเท่านั้นเองอันนี้คืออัจฉริยะปัจจเวก ค, คิตวะจากนั้นเราก็ได้สวดชาราธรมมหิเรามีความแก่ความเจ็บความตายในเราแปลอยู่แล้วนะจากนั้นก็อายังโค้หมีกายอยู่กายของเรานี่แหละมีอะไรบ้างอยู่ในกายของเราจากนั้นก็แผ่เมตตาอาหารสุขิโตโหมิขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข เราฆ้าไปเจ้าจก เ, เป็นถุกเนี่ยตามสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําเอาไว้จากนั้นสัพเพสัตตาสดาหุนตุกเอาเวลาสุขชีวิโนขอให้สัพพัสสัตทั้งหลายจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านแปลไว้อยู่แล้ว น, นี่แหละที่เราสวดเมื่อกี้นี่อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้กับพวกเราคณะสัตยาจโจมคูกหลานได้ฟังที่เราสวดมน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 แห่งหนึ่งอยู่ในเมืองชนรบแห่งหนึ่งในเมืองชนบบแห่งนั้นมีคนออกบวชออกบวชนอกศาสนาเขาบวชทั้ง4 8่สปีเป็นคู่กันเป็นเพื่อนกันพอบวชแล้วทีนี้คนหนึ่งมาอยู่ไม่ได้ซึกก็เลยขายบริขารให้คนอื่นพอสึกออกมาก็มาแต่งงานแล้วก็มาเลี้ยงวัว สมัยนะั้นคือเลี้ยงวัวนมอ่าต่อมาเขาก็มีลูกก็ามาอยู่แต่งงานกับแฟนเขาขอเรมีลกูกพอไม่ลูกน้อยเทไงไอ้เพื่อนกันที่บว ด, ด้วยกันกับไปที่อื่นและก ก, กลับมาเยี่ยมเห็นว่าเพื่อนศึกแล้วก็เลยกลับมาเยี่ยมกันพอมาแล้วก็ทั้งฝ่ายเพื่อ น, นก็กราบกราบเพื่อนนะอ่าที่บอกตัวเองเป็นคารวาสแล้ว อันนั้นท่านก็นเป็นเป็นผู้ถือศีลเป็นผู้ยังเป็นนักพธนักบวชอยู่เราเป็นคราวาต์เมื่อกันเราฉึกออกไปแล้วมากราบหมู่พกเกื่อนครูบาอาจารย์เนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้มีศีลพอกราบพอกราบเสร็จแล้วก็ให้เมียกราบเก่าลูกมาให้ตัวเองอุ้มเอาไว้ลูกน้อยนะตัวเลกๆ เ, เมียก็กราบเวลาผัวกราบหรือศีนักพธนักนบอกว่า คุณจงมีอายุยืนนานขอให้คุณมีอายุยืนนานถ้าพอมีอกรารตื้อสีนี่นเอกนักพจน์นก็บอกว่าข อ, อโยมหญิงจงมีอายุยืนนานแต่นี้ก็ให้ลูกชายตัวเล็กๆกลับพอลูกชายลตัวเล็กๆกลับลือสีหรือนักพจนักบวชนั้นเฉยไม่พูดอะไร กระทำให้พ่อบ้านเน่ยพ่อเนี่ยเป็นลูกชายกราบเนี่ยฤาษีไม่ได้พูดอะไรก็เลยถามว่าท่านผมกราบท่านก็ว่าให้พรว่าขอให้อายุยืนนานแม่บ้านผมกราบก็ขอให้อายุยืนนานแต่ลูกชายผมกราบเนยทำทำไมท่านไม่พูดอะไรอ่าทางทางนักพจนักบวชนั่นก็บอกว่าเพราะว่าลูกชายของ ท่านเนี่ยอายุเขาจะไม่ยืนอีกจากนี้ไปประมาณสักเจวันเขาก็าไปแล้วตายแล้วอ้าวทำไมนั่นแหละมันมีความเป็นไปอยู่มองอยู่เห็นอยู่แต่มีวิธีแก้ไขไหมสำหรับเราเราไม่มีเราไม่มีความสามารถแต่มีสมณะโคโดมพระพุทธเจ้ามีท่านคงจะรู้จักวิธีการวิธีการแก้ตัวเ น, นี้ยเอ๊ เราจะไปหาท่านยังไงเอาไปหาที่ถ้าท่านรักลูกของเธอก็ต้องไปหาผมไม่กล้าไปหาหนะ้าพ่อต่ปากของผมคล้ายๆเขานับถือศาสนาหนึ่งเรื่องเนี่เหมือนเขานับถือศาสนาเคลตดอย่างเนี้ยถ้าผมไปหาสัมมาณโคโรมผมก็ต้องยอมเสียสละศาสนาของผมที่ผมนับถือมา ก, ก่อนผมไม่ไปนะไม่ไปกับก็ได้แต่ว่าลูกของเธอลูกของท่านไหนต้องตายเน๊ถ้าเธอรักลูกเธอก็ต้องไปไปหา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 เมียก็กราบพระพุทธองค์ก็ให้พรว่าอโยมหญิงจงมีอายุยืนนานแต่นี้ก็เอาให้ลูกชายกราบนีะพอลูกชายกราบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสว่าอะไรอีกเฉยอีกเหมือนกันเลยอา้าวก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ า, าทําไมพระพุทธองค์จึงเวลาลูกชายของข้าพระองค์กราบนี่ยทาไมพระองค์จึงไม่ให้พรเหมือนกับข้าพระองค์พระพุทธองค์บอกว่า ลูกของเธอผนะู้ของโยมเนี่ยอายุจะไม่เกินเจดวันจากนี้ไปเขามีอันเป็นไปเพราะบาปกรรมของเขามันมีและมีวิธีแก้ไขไหมพระเจ้าขา่ามีมีวิธีแก้ไขแต่ถ้าว่าโยมปฏิบัติอย่างที่เราสั่งไหมถ้าเราสถาคตสั่งแล้วก็ให้ปฏิบัติตามแล้วก็มีเป็น ม, มีมีช่องทางเป็นไปได้ก็จะให้กับผมทํำยังไงเออนี่นะ กลับไปนี้ให้ไปทำมนดบเอ่อเป็นดบไปทำมนดบที่หน้าบ้านสร้างมนดบขึ้นมาคล้ายๆกางเต็นขึ้นมานั่นะพอกางเต็นขึ้นมาแล้วก็ให้จัดเป็นอาสนะพระสงฆ์แล้วก็จัดเป็นที่ทตรงกลางให้ให้ลูกของของเธอเของท่านเนี่ยาไปนอนไปนอนอยู่ตรงนั้นนตรงกลางแล้วก็ให้พระสงฆ์ทั้งหลายนั่งร้อมรอบ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 ยังค่อยมาแจ้งเราตถาคตเราจะส่งพระสงฆ์ไปจากนั้นพามก็รีบไปจัดการไปทําพอทําเสร็จแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็เออเอาพระสงฆ์ไปนั่งร้อมรอบกุมารและกระสวดพระปริตะมงคลไม่ให้มีระหว่างไม่ให้มีระหว่างให้ครับสวดตลอดเวันเจคืนนะ่ะสวดอ น, น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 ไปปลนิวัติพญาเวชชุวันพญาไปกืนคือพญายักษ์เป็นตระกูลของยักษ์ไปปฏิบัติอยู่12ปีแต่นพอ12ปีคนได้รับพรว่าเออเนี่ย เ, ออเมื่ อ, เ, อเราให้พรให้เราจะให้พรให้ไปกินเด็กคนนั้นะนนเนี่ยเด็กที่เกิดคือเป็นคู่อริคู่กรรมคู่เวรกันมาก่อนให้ไปกินเขาได้ลักษณะอย่างนั้นแหละ ตอนนี้ยักษ์ตัวนั้นก็อพอค้นจากหลังวันที่ได้ไปปน ท, ที่ปัตถาวเวชชุวันเสร็จแล้วท่นี้<ๆ>ก็มาลเลยท่านมาเพื่อจะมาจับเด็กกินท่านนี้มาพอมาเจอพระสงฆ์พระสงฆ์กําลังนั่งนั่งล้อมรอบกลุ่มมานั่นอยอู่ยักษ์ก็มันเข้าไม่ได้ท่านี้เพราะเหตุพระสงฆ์ล้อมรอบเพรมีบุญเพราะเทวดาที่รักษาล้อมรอบอยู่ จากนั้นพอวันที่เจพระพุโรหเสด็จมาเองพอเสด็จมาเท่านั้นแหละเทวดาผู้มีบุญหนักสักใหญ่มาล้อมรอบยยักษ์ตอนนั้นมันมีบุญหนักสักน้อยะเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมาชาวไร่ชาวนาก็ต้องออกห่างจากครูบาอาจารย์ลักษณะอย่างนั้นแหละต่เนี่ยออกไปอยู่ห่างไกลถึง12งโยชนีเอยักษ์ตัว น, นั้นออกไปอยู่ถึงห่างไกลถึง12โย ไม่เข้ามาใกล้แต่นี้ก็ที่ยักษ์ตนนั้นได้รับพรบอกว่าเนี่ยเจ็ดวันให้จับเด็กคนนี้กินได้แต่นี่มันเกินเจ็ดวันเลเพราะว่ามันเกินเจดวันไปแล้วเลยมันหมดสัญญาเมันหมดสัญญาจากเท้าเวชุวนมันก็จับไม่ได้เี้เพราะว่ามันหมดสัญญาเลอคือสัญญาของ เทพเจ้าหรือเทพยักษ์ทั้งหลายแต่เนี่ยมันเป็นสัจจะ จ, จริงจังและจริงใจไม่เหมือนสัจจะของมนุษย์ของเราทะเลทะลายทลอะทะเละลิลกไปเรื่อยแต่สัจจะของเอทพกายเทพเนี่ยเขาทุกวัน Guin ไหนกับวันนั้นฮะพอถึงอารุณสว่างขึ้นวันที่7แล้วเขาปอหมดจับกินไม่ได้อีกแล้วจากนั้นพระองค์ก็ไปในวันที่เจนั่งทั้งคืนตรวจพระ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 120ยี่สิปีนะพระตั้งหรือก็ตั้งชื่อว่าอายุวัฒนกุ ม, มารอายุของเขาจะยืนถึงร้อยี่สิบปีหลจากนั้นเขาก็ซาทุจากนั้นเ้าก็พระสงฆ์ก็เลยเลิกลากันอยักตอนนั้นเขาไม่ไม่มากินไม่มาจับเด็กตอนนั้นกินจากนั้นเด็กคนนี้ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยจนเป็นหนุ่มแล้วก็มีบริวารถึง500้อยบริวารของเขา เขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายเพนอายุวัฒนะกุมารเนี่ยจะก่อนเกือบตายนะที่พระพุทธองค์นะเนี่ยไปนั่งสวดพระปริตบงค์คนพร้อมกับพระสงฆ์เนี่ยจึงได้รอดพ้นมาได้แต่เขามีอายุยืนแล้วก็มีบริวารถึง500อยอีกต่างหากพระพุทธองค์เสด็จมาบอกว่าพระสงฆ์ทั้งหลายอายุวัฒนะกุมารเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาเพียงสวดพระปริตเท่นั้นนะ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 จตาโรโอธรรมมาวทันติอายุวันโนสุขขภะละเนี่ยอภิวาคืออภิวาสธนศสีฤทชนิดจางวุทธาคือวุ <S <s ทธาคือวุฒิคือสี่นี่ยวุฒาปจายยีโนจัตตารโอคือจัตตารโอคือจัตสี่อย่างอายุวันณะสุขขภะละจัตารโอธรรมมาวทันติอายุวันโนอายุวันณสุขขภะละจะเจริญกับผู้ที่ อ่อนน้อมถ่อมตนผู้กราบไหว้เคารพสักการะบูชาเนี่ยนี่แหละพระปริตะมงคลถ้าเราสวดทุกวันก็เป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกนันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าขี้เกียจควรหลับควรนอนไหว้พระสวดมนตออ์ก่อนที่จะนั่งภาวนากระสวดอิติปิโสสวาคาโตสุปิฏิปโนกายเยยวาจาอย่างน้อยนะ เ, เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสาหรับพวกเราเนี่แหละ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 แต่การ น, นี้เป็นแนวทางนะหลวงพ่อเคยอบรมหลวงพ่ออบรมพระที่วัดของหลวงพ่อนะ เ, อเกี่ยวกับยาปลาหมาตครูบาอาจารย์เน่พวกเราทารั้งหลายพวกเรายัางไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์นานาจิตต่งางนานาทัศนะถ้ า, าครูบาอาจารย์คิดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งถ้าให้ผิดหลักธรรมวินยัยแล้วเราจะไปปลาหมา ท, ท่านไม่ได้น้ําบาปนะเออพระในคทางพระพุทธเจ้ามีพระองค์หนึ่งท่านเห็นญาติโยมเช่นว่า ไอ้ถอยไปยังไงมายังไงแห็ผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอีถอยไอ้ถอยพวกนี้คนที่ไม่เจอกันไม่เคยเห็นกันมันเป็นเรียกไอ้ถอยทีเดียวนะ็จะถามว่ามีโยงมคนหนึ่งขนขนไอ้พริกขี้หนูเนะี่ยเอาไปขายในตลาดใช่ไหมล่ะก็ถามไอ้ถอยอะไรอยู่ในเกวียนตะแกน่ะ ไอ้ที่ก็โมโหขึ้นมาเถ่ขี้หนูนะที่แท้มันพริกเหมือนกันเถอะขี้หนูตีนี้ก็พอเสร็จแล้วก็ไอ้ี่ก็ออาไปเอาไปในตลาดพอไปในตลาดนี่นไอพ้พริกมันเป็นขี้หนูทั้งหมดบานนี่ตายขายไม่ออกบ่านนี้เป็นแต่ขี้หนูเต็มเกวียนเอ๊ตายก็เลยไปพูดกับทายกคนหนึ่งนลยเอ๊ ทำไมผมขนเพกมากลับมามาเห็นขี้หนูเอามีอะไรที่ผ่านๆตามทางมาเมือนโอยผมก็เห็นสมณะเอ อ, องคหนึ่งแล้วศีสะโลนเนี่ยแหละมาเห็นผมก็ไม่ได้ถามอะไรไม่แต่ไอ้ถอยอะไรอยู่ในเกวียนผมก็บอกซื่อๆเลยขี้หนูเมืนะนะเอ่อกวานั่นน่ะเออผมเอามาขายแล้วเป็นขี้หนูจริงๆแล้วทํำยังไงเนี่ยโอ้ยอันนั้นบาปกรรมวัยเออไปไปไปไ ป, ไ ป, ไปเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่ไหนองค์เนี่นะ่ะ ท่านก็นเลยนะเน่ยแอเป็นพระเทระที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับของเทวดาอีกต่างหากได้ไงเขามากันนี่แหละเขามากราบโอ้ยพระคุณท่านโยมอมขอโทษขออภัยมากๆที่ลงผมพูดแบบอารมณ์เพราะท่านได้ถามมาแล้วก็ได้พูดไปโดยความไม่รอบคอบขอพระคุณเจ้าจงโปรดเมตตาโหสีให้พวกขับพระเจ้าด้วยเทิน เอข้าพเจ้าอยสำเนึกผิดพระเถเะท่านก็ท่านก็รู้แก่ใจเหมือนกันเพราะว่าท่านพูดนิดสัยของท่านอท่านว่าไอ้ถอยอไอ้ถอ ย, อถอยตอนนี้ท่านก็เลยโอ้เอ้าอาตมาเอา โ, อโหสีให้นายยอมเนอะอาตมาก็พูดไปอย่างงั้นแหละพูดเป็นนิสัยเป็นเรื่องนิสัยของอาตมาอ